ไม่มีอะไรไมันจะตึงจะหย่อนนะครับตรงนั้นน่ะไอ้ที่ว่ามันตรึงไปนี่ก็เดี๋ยวไอ้เกิดขึ้นความคิดของเราเนี่ยนะคิดว่ามันหย่อนไปเกิดจากความคิดของเรานี่ถ้าเราคิดว่าไม่มีอะไรมันจะตึงอะไรมันจะหย่อนไปแล้วอย่างสุขกับทุกข์นี่ครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ชอบสุขนี่ครับนะยินดีในสุขเราคิดเรามาดีแล้วมันสุขนะแต่ความจริงจงไอ้เรื่องสุขนั้นน่ะถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน ไอ้สุขไม่ใช่ของมันจะดีนะไม่ใช่เป็นตัจธรรมนะ <Heaven. S 2> นี่แต่สุขมันพบแต่ un, ท่านให้รู้จักนะไม่ใช่ว่ามาให้รู้จักสุขนะ <ift ix. S 2> แต่ท่านให้รู้จักสุขอย่าให้ไปเมาสุข <önem. S 2> ทุกข์นี่มันก็มีอยู่แต่ท่านให้รู้จักทุกข์ <eng. S 2> อย่าไปตะคุกมันรอยสุขกระทบเนีมันลอยอยู่ตามเรื่องของมันอย่างไงแต่จะไปวิ่งตามมันดีแล้วแต่เราให้รู้มันอย่างนั้นที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้นะ่ะดีแล้วมันสงบอืม น, นะอืม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 บางคนทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ยอมจะรู้จักมันอันนั้นคือคนหนี้ทุกข์โดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาพวกยังผมนี่แหละครับยยม ไ, มไม่ค่อยจะขับไปในเมืองในนาเขาอยู่ในป่ามันสงบดีนี่ลองสินี่จะมันจะถูกไหมนี่ถ้าเราไปเมาบ้างทีนี่ <c oughs> ไอ้ความสงบนี่แหละมันเป็นพิษแล้วล่ะนี่เอ็ดปะไอ้เรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลาจากเสียงจมูกเรามันไกลาจากกลิ่นกลิ่นมันไกลาจากรถ โกรธพระเนี่ยกายมันกายถือกายจากกรธพระทั้งหลายนี่มันสงบดีะนะอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะครัเรียกว่ามันอยู่เฉยๆสงบสงบโดยทางที่โง่เองอืมัมนโง่ครับมันโง่อืถ้าหากว่ามีใครมาพูดอะไรแล้วก็สบายอยู่ได้ถ้ า, ามีคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเราจะต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะอ่า คนเราทั้งหลายก่อนึกว่ามันมาไอสิ่งทางหลายมันกวนเราทั้งนั้นเนี่ยอย่างนราจะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้เน่ะถ้ามีเสียงรนตรีเกิดขึ้นมาเราก็นึกใน่ใจอันนี้มันกวนเรานะอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนี้มันไปฮะนี่มันไปเรื่อยๆไปถ้ามันมีเสียงเมาอันนั้นมากวนเราเนี่ยอันนี้เพราะมันพิดมันผิดทางร้อยเป่ร์เซ็นต์เนี่ยธรามาย้อนกับพีว่า อีกทีหนึ่งเราจะมาชี้ว่าอ้เรามาไงเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขาเนี่มันจะชัดคขึ้นนะครับนี่ยย่นะตรงนี้เราตรงสู้แล้วครั บ, รบอ่าอืมอเรามันไปกวนเขากองกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราหน่อยมันก็เมาเต็มที่มันแหละครับ <S 2> <S 2> นะ <S <S อย่างนั้นพระทรร่านว่าความสงบทําทําขึ้นมาแล้วให้มันสงบเลยอย่าไปเมามาันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัว มันก็มาไปมาเรื่องวุ่นวายเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจจนเป็นคนโง่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทามันจะถึงมันจะย่อนมนอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนคล้ายๆว่ายโรกที่มันอยู่เราอยู่คนเดียวนี่นหละครับมันสม่ำเสมอแล้วแกบุคคลที่มีปัญญาพระพุทธเจ้ากระกศสรุในโรคนี้ โรกบิทูรู้แจ้งสึ่งโลกนี้ก็รู้ในเวลานี้ครับแล้วเพราะไม่ได้ถือว่าเ อ, อ้ออันนี้เราถูกคนนั่นผิดไม่ได้ถืออย่างนั้นครัไอ้ตรงนี้มันสุขเราควรจะเอาตรงนั้นมันถูกคนจะปล่อยมันในทางที่ถูกมันจะปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะแหละไอ้เ ร, เรื่องสุขเรื่องทุกข์นี่ไม่ใช่ความสุขะมันไะม่ใช่ถูกทางมันไม่ใช่ความสงบนี่นสุขมันก็ไม่สงบทุกข์มันก็ไม่สงบความที่สงบที่แท้จริงนั่นนะ่ะมันต้องปล่อยสุขทุกข์ปล่อยดูที่ไม่รู้วันปล่อยดูที่รู้มันที ต้องรู้จักมันทีต้องรู้จักทุกติดสุขต้องประสบกับมันทิทุกก็ต้องประสบกับมันทีครับมันจะรู้สิ่งทั้งสองนี้ถ้ารู้สิ่งทั้งสองนี้เป็นตรก็วางน่ะมันวางแล้วครับเป็นปกติละกันมันเป็นใจเป็นสุขขึ้นมาแล้วก็รู้มันแล้เอออันนี้มันอย่างเนี้ยทุกเกิดขึ้นมาว่าอันนี้มันก็เปลี่ยนเดียอย่างนี้ของมันอย่างเนี้ยนี่อ่ามันเกิดเป็นเรื่องของใครของมันเท่านั้นแหละครับสุขมันก็รูบขึ้นมาหนึ่งก็หายไปทุกมันรูปขึ้นมา สักว่าอารมณ์เดียวมันก็เป็นไปเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน ouais. ั้นนี่เรื่องมันจะตึงจะย่อนก็พุทธิย่าสันก็เทศใด้ฟังเลยนะเทศได้ฟังเลยตามรในสุขานิการในโยคุอัตตะจิรมาธาในโยคุท่านทาเลยครับเพราะอันนี้นะมันตามไล่ท่านอยู่ไม่หยุดนะเมื่อท่านโผร่มาท่านประเทศตรงนี้เลยครับะเทศตรงนี้เลยนี่อะเราจะไปอยู่ที่ไหนครับรู้ติผมว่าถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีที่ปฏิบัติ อันนี้จะต้องเตรียมตัวนี่แต่ว่าอย่าให้เมา อ, อยู่ในปา่ า, นปาก็อย่าเมาในป่าอยู่ในเมืองก็อย่าเมาในเมืองอยู่คนหมู่มากก็อย่าเมาคนมากอยู่คนหมู่น้อยก็อย่าให้มันเมาในคนหมู่น้อยครับให้มันรู้จักมากแต่มันรู้จักน้อยให้มันรู้จักสุขจักทุกข์ตามความจริงแล้วนะมันก็ถอนออกมาทานั้นแหละครับ<ช>แล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเกินอยู่อย่างนั้นของมันอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่เรือนตรงนี้ไม่ได้แร้ว ไอ้คนนั่งเคร่งไปที่ไอ้ตึงไปอะไรมันมันเคร่งมันตึงมันมันก็ไม่ถูกตามเรื่องมันหรอกครับมันไม่สมำเสมอหรอกครับไอ้เรื่องที่มันสมำเสมอเนี่ยว่ามีความรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยครับไม่มีอะไรถ้าเรารู้เรื่องจริงทางลายโดยนี่โดยไอ้ความละเอียดออแล้วก็ไม่ไปจับมันนะครับไม่ไปตะคุบมันล่ะอ่ะถึงไม่ไอ้สัตว์ต่างๆไปตะคุบมันดูสิครับไปจับหางมันก็กัดไปจับหามันไม่วางมันก็กัดเท่านั้นเอง มันไม่อยู่ต้องปล่อยมันต้องรู้มันซะถ้าสิ่งทั้งหลายแล้วรู้มันแล้วมันอก่อไม่มีอะไรแต่เมื่อกับถึงมีเมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนในอย่างอยู่ผมว่าจะไปหาอยู่ที่ไหนมันก็ไปได้นอกจากปัญญาหนีที่ไหนไม่ได้ครับหนีความวุ่นวายหนีไม่ได้ครันอกจากหนีด้วยปัญญาแค่เขายุดไปอยู่ในป่าอย่างผมนี่นะครับนึกว่าผมหนีจากอทุกข์หรือี่ครับถ้าไม่รู้มันก็มาหาทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ถือว่าอะไรแต่ว่าธรรมดา สมณะผู้ประพฤติปฏิบัติโดยตรงอยู่แล้วก็ออยู่ได้เมื่อมีเหตุที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ท่านก็อยู่ได้ครับไม่มีถ้าท่านจะอยู่แต่สมณะของเราเป็นผู้หาความสงบต้องพยายามหาที่สงบอยู่เป็นพื้นถ้าว่าเราอยากยิงจี้กระไม้ยินเสียงเสียงเราก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ยินเสียงรถเราไปเราก็อยากนั่งรถ หรือหรือวาให้รถมีเสียงเหรออ่นี่ก็เป็นอย่างนี้ว่าเราคิดให้มันรอบรู้รอบอยู่อย่างนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าเมาอือดีหรือถูกถ้าเราทําที่ถูกก็ดีแต่แต่วความคิดไม่ดีไม่ถูกมันทําถูกมันก็ไม่ถูกครับไม่ยอมใครนี่ของเราถูกทั้งนั้นใครว่าผิดก็ถูกทั้งนั้นไม่ยอมใครนี่ครับเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนั้นก็ไม่ดีก็ดีกันไม่ถูกมันก็ผิดแล้วนั้นครับ ใน้ดีแล้วไปยึดดีไว้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยคนเดินเลย เ, เป็นต้นยึดไว้น้อยก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องนัง่นก็ไม่ดีทั้ง น, นั้นเสียหายหมดัอนมประสบความดีแล้วก็เอาไว้ไม่ได้ประสบความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไว้ไม่ได้โดยไม่มีปัญญาอพระพุทธเจ้ า, าเตือนว่าอย่าไปเดินไปแง่เดียวแง่เดียวอย่าไปดูมันในแง่เดียวดูมันสองแง่ด้วยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวังอผมความเห็นผมเปลี่ยนอย่างนั้น อืมน αι, ี่อินเป็นอย่างไงอืมผมว่าไอ้ความสงบมัน ท, ที่ในป่ามันก็ไม่สงบหรอกครับที่ทุ่งนามันก็ไม่สงบหรอกไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องเแถวนั้นแหละฮะอ้าวดูต้องสงเปอย่างนั้นว่าเรารู้จกักเชนนี่นะ่ะจะดับตาหรือจะลืมตามันก็ต่างกันแต่ดับตาหรือลืมตาแถวนั้นดับตาอยู่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 เรื่องทรรมกับเรื่องวินะัยนะมันเป็นเรื่องหัวงูกับหางงูไปจับหางงูมันก็วกมากัดเราก็ได้นะไอไปจับที่ไอ้กลางงูตัวงูมันก็วกมากัดเราก็ได้เพราะหัวงูกับกลางหัวงูกับหางงูมันอยู่ในงูตัวเดียวกรันนี่ครับเป็นเพีงงี้มันให้ประโยชน์เราได้ทั้งสองอย่างมาให้โทษเราได้ทั้งสองอย่าง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 ผมเรียนกรรมฐานเนี่ยสมถะกรรมฐานคุณเรียนนิัพานกรรมฐานผมก็นั่งฟังเฮคิดกันยังไงเนาะนีนนะ่ตามที่ความผมความคิดของผมเห็นว่าเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องนิพพานากรรมฐานนี่มันเป็นเหตุผลกันเท่านั้นมันไม่ใช่อื่นไกลแล้วนะยกตัวอย่างก็มีดเล่มหนึ่งนะมันมีด้ามมันนะ มันมีสันมันมันมีคมมันเราจะยกมีดเลิมนั่นขึ้นมานะไอคมมันก็ติดมาสันมันก็ติดมาด้ามมันก็ติดมามันจะแยกกันไม่ได้นะครับแต่ว่าอาการมันต่างกันถึงความสงบความสงบเรื่องกรรมฐานนี้สงบเพราะว่าไกลจากรูปเสียงสิ่นรสโดยทางเดินออกไปอสงบด้านวิปัสสนานั้นมันสงบจากไกลจากรูปเสียงสิ่งนรสโภชปาธรรมลมโดยทางปัญญา <N> ในทางกรมาาารมฐานตาเราเห็นอยู่หูเราได้ยินอยู่เป็นต้นมันก็รู้เรื่องของมันมันก็สงบของมันได้เรื่องสมถะกรรมฐ า, า น, นคือความสงบปัญญามันยังไม่เกิดอืถ้าได้ยินเสียงพุบไม่สบายแล้วเห็นรูปพุบไม่สบายแล้วนี่ปัญญามันยังไม่มีอันนี้มันเป็นเบื้องแรกมันก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนั้นน่ะไอ้ที่อารมณ์มันมากระทบเราเนี่ยเราไปยึดมันทุบทุกทีมันทุบทุกทีมันทุบทุกทีแบกมาหยุด แบกไปนานๆเธอครมันหนักมันไปโยนทิ้งเหมือนกันเมื่อปัญญาเมื่อเกิดมันก็แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะแบกไปอย่างนั้นมันถูกแบกไปอย่างนั้นมันถูกนึกว่าดีขนาดไหนก็จังแบกไว้ปล่อยให้แบกแต่ก่อนเธอมันหนักอะมันวิ่งเมืก่อนเนี่มันหนักมันจะเห็นโทษมันเพราะว่าคนถ้ามาเห็นโทษมันมันได้ไม่ได้ถ้าไปเห็นประโยชน์มันมันก็พุทดปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผมเห็นว่า เมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆจนว่าเอออันนี้มันก็ไปแน่นเดินอยู่มันก็อย่างนั้นนั่งเดยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไปเที่ยงอย่างนี้เนี่ยมิฉะนั้นอารมณ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนาัตตนี่จึงเป็นเรื่องอารมณ์ของมิปัสสนากรรมาฐานนี่ครับที่ทำไมไม่ต้เกิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาเพราะมันเห็นอยังไงมันเห็นโทษในทาความสงบนั่นไ่อยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นน่ยมันมีทางสงบ ไอความรู้อันหนึ่งเกิดเอออันนี้มันก็ไม่แน่นะมันเกิดแด่ก็ดับไปนะเรื่องอันนี้มันไม่เที่ยงเรื่องอันนี้จังเรื่องทุกข์ขังเรื่องอนัตตาเมื่อมาหยุดหยุดตรงนี้นะนี่แหละปัญญาจะเปิดเนี่ยนี่ครับไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับทําสงบนี่แหละไปก่อนนี่ประพฤติ ท, ท, งทางธรรมทางดินัยนี่แหละไปก่อนปั๊บมันจะไปถึงจุดนะเอออันนี้มันก็อย่างนี้อันนี้มันก็อย่างนี้ไอคนพูดอย่างก็พูดเรื่อยเรื่อยเราไม่อยากให้มันพูดมันก็พูดนะไม่อยากเห็นมันก็เห็นอยู่อย่างเนี้ย จนมันเบื่อมันนายไปไหนไม่พ้นมันก็กลับอ๋ออันนี้ไม่แน่มันก็เป็นอยังไงมันพูดร้ายขลังก็เป็นอย่างนั้นมันสุกร้ายทีก็เป็นอย่างนั้นทุกหลทีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องไม่แน่นอนนี่เกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดตรงนี้มีปรัชนาจะกอดตรงนี้เลยไม่ต้องไปเรียนไหนแล้วครับผมจึงเข้าใจว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะจะก็มันต่างกันมากความสงบเรื่องกำหนดให้มาสงบจากอารมณ์นี้ อย่างเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องของเราม่มีใครมาดินทานก็าาสบายใจนี่ไอความสงบเท่านี้เรื่องธรรมะเรื่องวิปัสสนาเรืมตายรขามาว่าต่อหน้านี่เออนี่มันก็รู้อยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยมันก็สบายใจอยู่เหมือนกันนี่สงบตรงนี้มีกําลังมากครับจะอยู่มู่มากกระไรมู้น้อยไ ม, ไม่ค่อยเลือกสถานที่เมื่อเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ได้ในตรงนี้เท่า น, นั้นไอความเย็นผมเป็นอย่างนี้เรื่องพระธรรมวินัยผมไม่ได้สงสัยนะครับ อันนี้ไม่ได้สงสัยถ้าเราทําไปเถอะผมเห็นว่าไอ้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเมื่อผิดมันผิดน้อยไม่มากครับเนะมื่อเรารู้สึ้นพลังทั้ทงที่ก็ได้ไม่ยากอย่างผมจิตเตือยแจ้ใบนี้ไปเนะี่ยท่านอาจารย์ว่าอันนี้มันผิดผมไม่รู้จากหนึ่งครับผมมาแจ้ใบนี้มันใจร้ายเพราะเขาใช้ของผมไปครับบุตรสุดใจของผมเมื่อผมไปถึงท่านจนอยู่อุย้ยท่านถือไหมมันผิดนี่เป็นตำบัติมันเป็นไงก็เป็นไงผมทิ้งก็ได้ครับอือ ไม่มีอะไรไง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาอลไรมาเป็นอย่างนี้ครับอีกคนให้ไม่ได้ยึดไว้ยอย่างนี้อืผมว่าอย่างนี้ก็กพอเห็นด้วยจิต ข, ของเจ้าของแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีทางใดที่จะสงสัยอย่าไปเมาไในว่าอย่าไปเมามันครับอะอย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาในดีแล้วกว็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาตัวผิดน ะ, นะเอาดีมีอะไรไหม คือหลวงพอพูดว่าพอเข้าใจอืแต่ว่าที่ทจำเรงดําพันอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวกับแต่เริเ่มเรียบปฏิบัติในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับอย่ยวกัะเทวที่เรียกว่าอาธิสมาจาร์ะไรอย่างเงี้ยครัเราไม่ไั้อีกตัวอย่างมากอ่าเกี่ยวกับอะไรา ย, ยากการกบกันจกันนันการเดิ น, นครับ อันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวแก่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่ครับครับละเอียดมากนะอันอันละเอียดนี่มันเป็นอย่างหนึ่งนะมันยังหลงแต่ว่าอันสิ่งที่ยเล็กน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมันรวมตัวกันมันโตได้นะครับอืเอามันโตได้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 หรือไม่ได้ก็ได้อย่านึกว่าจบเก้าประโยคเป็นคนรู้ก็ได้เป็นคนหลงก็ได้มันหลงอยู่ในรู้มันรู้อยู่ในหลงจะทําไงมันอย่างงั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ประมาทบาเรามันพอแล้วอย่าประมาทเลยจะต้องศึกษาเรื่อยต่อไปรู้แล้วก็อย่าประมาทเลยว่าแล้วละย่าเลยไม่จบจต้องศึกษาอยู่เรื่อย เรื่องปัจจุบันที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆมันจําเป็นกับแก่ผู้ ป, ปฏิบัตินี่เรื่องสํานักธนช า, ารย์มั่นแห่งหนึ่งเรื่องหลวงองหลวงพ่อเผาวัดเขาวงนี่ครับเก่าก่อนเนี่ยผขาเด็ศึกษานี่ครับนี่สาคัญครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับผมคิดว่ามีความจำเป็นครับมีความจําเป็นครับครับมีความจําเป็นมากครับ ท่านเดียก ว, ว่าแม่แต่ ว, ว่าแั่งรู้ว่าลูกจิตจะออกจากอาจารย์ไปวันนี้พรุ่งนี้ไปนั่งข้ามคืนสังกัดมาข อ, อนิใสยเลยอนะเอเมื่อครูบาอ่าอาจารย์อุปชายาวัดจะอาบน้ำํำจะดับจะนอนจะไปที่ไหนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปชายาวัดนี่เปรีย่ยนอจริยาวัดนี่เปลี่ยมเปลี่ยน ม, มดครับวัดทั้งสิบสี่นะครับ เปี่ยมทั้งนั้นเนยนมันเปี่ยมครับนี่ผมก็ได้เกิดความรู้เห็นกับอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้ครับเป็นอย่างมากเลยครับะน ะ, ะแต่ผมมันในกายชิ ด, ดอกแต่ว่าเราไปดูอะไรแต่มันมันรูเรื่องครับดูเรื่องอแต่ก็ผมเห็นว่าไม่สงสัยไม่เป็นทางที่จะขัดข้องบางแห่งก็ไปพูดกันซะอย่างนี้นะครับปฏิบัติไม่ต้องไม่ต้องเอามันอกพระวิ น, นัยเลยเอาธรรมะดีกว่านี่ครับ พูดอย่างนี้ผมผมผมก็ฟังได้เหมือนกันัไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ยิ่งฟังได้ดีเดียวทีเดียวนี่ยครับเนี่ยมีมีครับมันมีครับไม่ต้องเกี่ยวข้องมันเรื่องจิตเอออันนั้นมันเรื่องผู้ใหญ่พูดกันนะเรามันยังเป็นเด็กอยู่นี่อย่าไปพูดอย่างผู้ใหญ่ไดนึกเดี่จะพูดง่ายๆเออไปทํานาดีกว่ามันสบายดีนี่คําพูดมันง่ายทีเมื่อเข้าไปทํานาเขาทาอะไรบ้างดูมั้นมีอะไรบ้างไหมเกือบตายเหมือนกันนะ กว่าจะทำนาได้นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีนี่คือคิดไปเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรอืมะไม่มีอะไรแล้วไม่พยอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าเอากิตมาพูดกันทีออย่าเอาจิตมาพูดกันทีออย่าเอากิตมาพูดกั น, ท, กนทีเอาเอาธรรมดาธรรมดานี่มาพูดกันดีกว่าโน้นพระพรหมอยู่โน้นอืมอย่าไปพูดไปครับผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดอย่างนั้น พูดจริง um. ที่เราเห็นนี่เนี่สิ่งที่เราเห็นอยู่ น, นี่ดีกว่ามันถึงมีพยานเอพิสูจน์ได้ดาไานเนื่ยพิสูจน์ได้ของทิ้งเราต้องคันพิสูจน์ท่านเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นให้เราตอบตัวเราเองได้เลยอะไรมันเหลืออยู่ให้อย่างให้เราดูไหมนี่มันนี้อะไรเป็นยังไงไข้่เราเป็นไข้ทุกวันเราเป็นไข้แล้วหมอมารักษามันลดความไข้หรือเปล่าใครจะรู้จากล่ะ คนที่เป็นไข้มันจะลดลงเลปวดที่สามากคนจะลดน้อยๆลงใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ในตัวของเราอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี่เราต้องเริ่มเถอครับอืมเขาก็เคยว่าผมมันทันเนี่ยเมันตึงไปใครที่เรียกว่ามันย่อนไปอย่าไปว่ามันตึงมันย่อนเลยครับอืมอืมไอ้ไม้ท่อนเนี้มันหนักประมาณสักสามกิโลนี้เอาเหล็กสักสองขวบมายกมันก็หนัก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 เรื่องที่มันตึงมันหย่อนนั้นไม่มีขพอโทษจะไม่ตึงถ้าตึงมันก็ผิดถ้าหย่อนมันก็ผิดทั้งนั้นมันก็ไม่เดินมั้งไม่ถูกแต่เป็นสมาธิิิอันนี้ข้อวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นโดยพอดีแล้วนะีน่กําลังเร า, มาไม่ถึงหนึ่งเอาเครึ่งไปอะไรไปหย่อนไปอย่างนี้เพราะว่าเราว่าวเองเราว่าวเองเราไอธรรมะนี่ไม่ไม่ไม่ไมไมไมออกใครไม่เข้าขัางใครนะ่ะเราพูดไปตามความจริงมรนจะเห็นชัด อย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ที่ที่ผมเคยได้รับมาได้รับอบรมมาเป็นพื้นที่ของผมทีเดียวท่านสำนักท่านอาจารย์มัน่นหรือท่านอาจารย์ในอาจารย์เผาเป็นพื้นครับเท่านั้น<ม>ทีนี้พูดถึงกัมพีเนี่ยนพอเดินเดินปุ้บปัจจิขานี่พอเนี่ยครับปุ้บปัจจิขานี่พออือนี่ปุ้บปัจจิขานี่พอครับ ยังไงก็ให้รู้เรื่องกับบุพชีขาอันนี้พอสมควรอันนี้อันนี้เป็นพื้นทางะวินัย น, น ะ, ค, ะครับพ อ, อนะแต่ว่าไอ้รัมบโกวา่าจะม อ, อมงกับพอควรเหด้วนกันแต่ว่ามันไม่มีใครทำหนะะึ่งมันมีแต่คนพูดไม่มีคนทํามีความรู้อยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติยังไงใครจะมาปฏิบัติให้เกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความระยเองมัน มันมีความราเองมันมันจะคนเพว่าเองมันครับนี่มันเป็นใส่อย่างนี้มันนักกฎหมายเลยนักกฎหมายมันรู้กฎหมายนักแกกกฎหมายกีอยู่คนรู้กฎหมายนะต้องเดินไปมินมินนั่นแหละที่ไหนพอได้ก็โผล่ที่สาวออกไป <maximum> <Chain of olhos> มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนักพระบินัยก็ต้องเป็นกิตมันไม่ยอมนะอืที่ไหนมินมินอันตรายก็โผล่ไปตรงนั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อืม พระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้สอนอย่า ง, งานั้นอย่างที่ว่าทายกที่จะต้องปรนนาราจะต้องขอได้อะไรได้ก็ขเข้าใจแน่นอนออพระพุทธเจ้าจันตว่าให้ขอได้ให้ปรณนาราถ้ามาถือเราผู้มีความลายแล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่พูดเนี่นี่ยนี่มันได้แงนถ้าว่าเขาปรนารขอได้เนะี่ยเย็นก็ไปขอเช้าก็ไปขอวันนี้ขอพรุ่งนี้ขอ มันจะเป็นทำไมถือเงี้ยไปขอได้มีขอได้แล้วเขากรารถนาอนุญาติเราอย่างนี้ครับเงี้ยพระบีไหนมันเสียหายนี่ครับเนี่มันตรงอย่างนี้เนื่องว่าไอนักศึกษาทางนอกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้เราไปถึงขนาดนั้นถ้าคุณะทํามีความอายมีความกลัวเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราเพราะว่ามันพระบีไหนมันก็ไม่มากอะไรมันมีกลัวมีอายอยู่ได้มันก็ตรงนั้นเนีืย แต่ว่าจะมาพูดจิตอันเดียวเนี่ยอะไรก็มันก็ลําบากอยู่นะนป<ร>ะัญหาว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็เลยว่าโดยมันเวลานี้เราเห็นสิ่งที่มีที่ผลมากๆตัวสังคมทั่วๆไปเี่ยสังคมนี่เป็นแหล่ัดทาให้คนเรานี่ต้องซอยตัวไปกับสังคมเสส่วนใหญ่มาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนจ ะ, จะยากลําบากเป็นทุกวันครับ่การที่เรา กไออ็ไม่มีปัญหาขอประธานโต้ทั้งอย่างพ่ออู่ในป่าไม่มีปัญหาพวกอยู่ในบ้านใจเมื่อไม่มีปัญหาพ่อที่ยังอยู่กับปลุ่มที่เขาเป็นมันก็อยู่ในหมู่ข้าชนไก่อย่างเงี้ยอืมันก็มันจะอาจจะมีคนที่ไม่กี่คนที่เห็นว่าการชนไก่นี่มันใช่ไม่ได้ มันเป็นอบายยามุกหรือเป็นความเสื่อมเสียสีรธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆอย่างนี้แล้วก็ถึงวันเข ก, กถ็ถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกัเข้าด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราเมีความเป็นอยู่คล้ายๆเป็นการทายเรือทวนกระแสน้ำตามหลักพี่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวิ น, ยนัยไม่ผิด มันคงเดิม่มเปนอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปสร้างไปปรุมไปแต่งธรรมะอีกใดแต่ว่าในกรณีที่ว่าเมื่อคนหมูงมากมันก็มีความไหลอยู่อย่างนี้ในการที่ไหลนั้นไม่สูขชัดตองนะครัเมืม่อม่ไม่ตรงมันก็ยากแค่การที่จะใช้อยากแค่การที่จะกระเพื่อปฏิบัติที่ถางว่าเรามีการ ให้าการแนะนออําอบรมกันอย่างแปร่หลายตัวตึงอย่างหนักหน่วงคล้ายๆว่าเมื่อมันมีคนเขาทํากันให้เป็นตัวอย่างให้ mm hmm. คนที่จะมาทําตามก็นี้ได้สะดวกให้ mm hmm. คนที่ทําเป็นตัวอย่างไม่เคยมีส่วนมากมันมีอย่างอื่นให้ดูอย่างงี้มันก็ยากยากในการที่จะเดินให้จงตามนั้นเ mm hmm. พราะว่ามันพอดีอยู่แล้วธรรมวินยัยมันพอดีอยู่แล้ว นี่เราส่วนมากก็พาเข้าข้างตัวใช่ไหมเฮ้ยพาเข้าข้างหมูว่ากันก็เหมือนเหมือนกันนี่ไม่จะทําเราเรามันยอมไั้อ่ายอมยอมไอ้คนตังเกยียดยอมไอม้คนนินทายอมไอ้คนสรรเสริญจริงได้ไอ้อโลกนี่มันก็เป็นอยู่ไงไม่ใช่เป็นเวลานี้ครับก่อนพระพุทธเจ้ายังกุบัติเกิดมาโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดี๋ยวนี่มันก็เป็นอยู่นี่อี่ต่างเป็นอยู่อย่างนี้ มันก็แม่เปลี่ยนอยู่ถ้าคิดไปในแง่หนึ่งก็เพราะมามันก็ดีแล้วดีอะไรเอ็น <c oughs> <c oughs> ทุ่งนาเราไล่มันไม่เป็นทุ่งมาหรอกมัน เ, เป็นป่าเพราะไปตัดถางลําบากมันเป็นไล่เป็นนาตรงนี้เราจะใช้ดีใจวิจารณ์แล้วจะเกิดปัญญาประสบต้องมีการประสบ น, น, นี่ครับนึกถึงพระโระครูเขาเรียกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าต่้งก็คนหมู่มากตั้นแต่ทัางทำยังไง เอนะถ้าจะเอาเราไปจริงๆล่ะเราก็ถอยได้ดนะแต่ว่าคนถอยมันเป็นคนอยากมันอยากมันอยากแล้วมันกลัวกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้กลัวใจอย่างนั้นเไปกลัวมันติดกลัวตรงนั้นเนี่ยครับไปกลัวกลัวมันอยากเฉยอภัยโทวดครับผมเรินมาจากนี้ครับไม่ว่าอื่นเลยครับ คณะบริษัทเอาใจทำมิกเราไม่เค่อยชอบผมหรอกครับอถ้าหากว่าเราจะเอาสังคมเองเขาชอบสักคมดูจีมันจะสบายมัมยิ่งยุ่งอยู่และลองลองดูทีนี่มันก็ยุ่งแค่ยุ่งนี่ยเลยครับยิ่งเขาไปรึกทีแล้วลองลองนดูเถอะนะเลยข้อภายเช่นผมเนี่ยอย่างผมสร้างโหดหลังนี่ครับผมไม่มีดีกาไปที่ไหนเลยนะในคงประวัตินี่มีน่ะสร้างของผมไม่เคยไปรองเรียกใครไม่เคยบอกใครทางนั้นเนี่ยอย่ากเดี๋ยวท่านจะทํายังไง ต้องไปทํำยังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทไํามันยุ่งยิงอะไรทําไมกันหนักหนานี่ยนี่เขาทำในแขนไหนก็อเอาแขนนั้นอย่างนี้เขาพยายามทำมํำมาเนี่เขาใหว่าไอ้ไอ้อทาเหรียญซะอะไรนะอมันถ้า็ปทาเหรียญไม่ได้สร้างโบสถ์ง่ายง่ายเร็วออโยมเขาสร้างโบดสร้างอาคารใหญ่ๆเขาขายเหรียญกันสร้างคนมันอยากจะได้เหรียญนรือมันอยากจะได้บุ่น คนนี้เมืองไทยเอานี้คนอยากจะไรเดียนถึงให้แต่ตัตงมาสร้างนั้นมันมีเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าไอคนที่มีศรัทธาอยากจะสร้างเป็นส่วนตัวตนจริงๆมันจะมีมไหตอนนี้ก็ไม่เคยคิดป่าอยากจะไปเชิญนิมนต์ใครต่อใครเข้ามาเพราะการทํารูปนี้มันเป็นรูปของการโฆษณาฐานล่าผลสกายะข้าวสวยแต่มาคทิดอีกทีนี้จะชมกับพระหลายๆองค์ขอบคุณจานองเรียนด้วย น, ะน่าจะนิมนต์หลวงพ่อมาเทาิดมัน เทียว่าบธรรมะธรรมโมนี่ก็พอไปได้ใครเขาบอกว่าตัดสิน ใ, ใจมาทํางานมาหกปีเจ็ดปีแล้วไม่ไม่ได้นิมนต์ใครที่เขาเหึงชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่ศาสนาที่แท้แต่งงานก็ถือว่าต่างคนต่างทํางานก็ดีแล้วท่าก็ไม่จําเป็นที่จงไปอาศัยไข่ใจมาคิดถึงว่าเออเฉพาะ อ, อย่างนี้เนีผมก็มีความศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเทียบกปฏิปทานานเท่ไหนา อันนี้จะผมทมรัทธากรกสับเรียนในความจริงอะากจะทำเมื่ออย่างน้อยก็ทําให้ผู้อื่นได้เห็นอากัปปิียานี้ก็เป็นสิกงประทับใจแล้วบอกผมว่าในในนั้ก็เป็นที่กระทับใจนะ้ถ้าใดฟังคําพูดก็ยิ่งจะสป็นเพิ่มความสัทถามากขึ้นและก็เป็นผลดีเป็นถ้าเป็นไปได้กับผมก็เคยนิดแต่พออย่างยิ่งในระหว่างที่ผมอบรมพระวิจพนาจารย์นี้ ไปพยายามศึกษากคนกว่าพระสงฆู้เท่าองค์ไหนที่ท่านสามารถที่จะอบรมแนะนําในทางปริามาณนี้ให้ได้ทีและเต็นที่โน้มน้าถ้าส่งฆ์และเพื่อปฏิบัติผมก็พยายามอ่า น, นไปศึกษาสมเด็จพระวิโรจน์เนี่ยว่าอยากได้พระองค์ไหนที่พอจะเป็นตัวตีตัวตั้งอบรมเรื่องไในของเราที่เก่งทั่นก็มากว่าทําได้ยาก <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมก็คค่ว่าทําส่วนตัวทําได้ไงไอ้จะไปพูดให้เพื่อนทํานี่มันมันยากไงมันยากะเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสํานักอย่างกระผมก็เป็นสถานที่สุกทางจิตก่อนนึกว่าน่าจะไม่ลํำบากนักถ้าหากว่าจะได้คร่ำสอนบ่อยๆเที่ยวก็ไม่ลำบากนั่งกระผมก็จะมีตัดสินใจมา เขไม่เคยคิดฝันนั่นเองผมคนดำน้องเขาเอาไปเอาทงวนของผมมาน้อยไปแล้วแล้วใครๆคก็แค่ว่าเอาทิ้งวันที่แต่ผมก็มาผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิมไม่ได้คิดนะแต่ความจริงใจแต่ว่าคิดฝัแต่พยายามเลือกอยู่เสมอรักตอนนี้เท่าที่ไหนแต่ว่าเราทําไม่ได้โดยเดียวพื้นฐานไม่อยู่ก็ผมเองยังโทษตัวเองว่าพื้นฐานไม่มีในทางวิถีไหนเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขามีความละเอียดละออ โดยมากผมชอบอย่างนี้ครับอ ม, มันสะดวกดีครับส่งพระที่สมควรมาจําพรรษาในที่นี้ดีมากมจะมารู้เอาในต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยมีมีผลมีหลายเพิ่เติมพอสมควรในทะี่ส่งพระองค์นี้กลับไปครับอมืมันมีราดชานี่ดีครับว่า น, นี่ ท, ที่ที่ผมมีหลายสาขานี่ยไปอย่างนี้ อย่างนี้เนี่ยอยากให้ผมไปพูดสักสองชั่วโมงมางนันนะ้เหมือนโยมเข้ามาในวัดอย่ยงนี้แหละมานั่งน้องพ่อฟังเนี่ยว่าในวัดต้องสงกเงียบนะพอออกไปจากวัดก็วุ่นอยู่แล้วนะผมนึกมาถึงวัดเห็นวัดกะรูกอยากจะบวชนะคิดๆไปถ้าบวชต้อจะมาบวชวัดนี้นะแต่ก็มาพูดอยู่ในวัดนี้เมื่อออกไปลวก็ลืมจะนำมันพูดนะก็ <c oughs> อย่างนี้เท่านั้นแหละ อย่างนั้นถ้ามาอยู่กันดีๆสหาไอ้พระจีสําคัญมาดูแลมาปึกษาหรือมาทํากันเลยไม่ต้องศึกษาเลย<อ>ทํากันเลยอยู่ไปผมได้ผลอย่างนี้ผมอย่านี้ที่นี่มีพระสันปรครูวัดอ่าเภอเรืองครับส่งพระมาตรงนี้มาศึกษานี่ท่านก็ตามมาส่งเลยแม่ผมอยากเห็นมามอบให้ท่านสิทธิ์ประคุณฝึกให้ อยู่ด้วยถ้าฝึกแล้วผมจะมีวนพระองค์เนี้ยไปช่วยผมพอผมบาดแก่แล้วผมก็เลยบอกว่าเออท่านพระครูอย่างเนี้ยนะอย่างนั้นมัมนไปในค่อนข้างที่มเขพอใจนะแต่ผมเห็นว่าอย่างนี้นะถ้าพระผู้ฝุกเป็นแล้วจะไม่กลับรงมานั่นในเรื่องขอเรื่องของเออ <laughs> จะไม่กลับ แค่เลื่องของเงินถ้าว่าใหให้มาอยู่ในที่สงบเลยถ้าต้องรับออกไปสู้ที่ไม่สงบนี่มันก็ไม่มีขยะไปอแบบนี้ตรงนี้สำคัญนะสัตว์ตรงนี้ถ้าใครภาวนาไม่ไม่เป็นต้องกลับไปแน่มลยถ้าเป็นชัดเจนผมเห็นว่าไม่กลับเอาถ้าไม่เป็นอันไม่รู้ดูก็ได้ต่อไปสูงนี่ผมพันธะต้องพันธาไม่กลับเลยไปกลับไปว่าโจคาบรีไปยุ่ไม่ได้ตรงนั้นนี่มันเป็นสอย่างนั้น ทำไมมันเป็นงั้นปลาทะเลมันอยู่น้าเค็นมันก็ไม่แสบหูแสบตามันนะมันเป็นเพียงเสพปู่ย่าตายายมันก็อยู่มันสบายนะเมื่อมาผ่านน้ำเคดมันวลตะลึงมันไปมันจะตกอย่างนี้เมื่อจะกลับไปมองไปข้างหลังแม้เราจะไปเราจะไปแก้ครูบาอาจารย์เราจะไปแก้แล้วมันหนักเช่นั้นเนี่ยมันไปไม่ได้มองไม่เห็นทครมองไม่เห็นเลย ถ้าเราจะโทษอยู่คนเดียวเขาคงจะดันเกลียดแต่ก็จะอะไรเราว่าเราวุาา่นวายเกิดเท่านี้ก็ไปได้อยูอยนะ่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้มัาเป็นไงอย่างเช่นออท่านต้งมีอท่านประญาตันทะส่งมาอยู่นี่นะ ย, ย, นยังไม่ได้วอดว่อดเที่ยงน่ะส่งวันนี้เลยเพราปฏิบัติเที่นี้มันจะไม่เป็นซึ่งปัญญาแต่ประกับไปอย่างนั้น ไม่เคยทำอะไรต่างๆไปยกเ็ดวันกลับมาเึ็ไงโอ้ยตรงนั้นอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ต่างกันเยอะเกินนี่มันเป็นแว่อย่างงี้นะมันเกี่ยวกับสังคมที่ก็เป็นแค่อย่างนั้นแหละคือคือคือมันไม่ดูจัดนะอย่างนอนอยู่ในพริกไงพริกมันก็เผ็ดมันก็ร้อนนอนไมปเกิดอยู่ในพริกมันก็อยู่สบายไปเลยไม มันไม่รู้จักร้อนจากเผ็ดล็อกมันอยู่สบายมันทีเดียวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องของมันเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่สบายทําไมเขาทาได้อย่างนั้นเนาะทําไมเขาอยู่ได้เนี่ยทาไมอยู่ได้ก็เขาเกิดอย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเขาถึอยู่ได้นะตานําเข้มทำไมมันไม่แสบตามันอยู่ยังไงนะอย่างนี้เพราะเพราะเเกิดอยู่อย่างนั้นท่านก็อยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ปลาอย่างเงี้ยกลางคืนมาไฟมันก็มีไม่สะดวกทุกอย่าง ถ้าเคยที่อยู่สะดวกงั้นันอยู่กันยังไงนะมานั่งกระกลางคืนนะไฟไม่ไ ม, ไม่ไม่เปิดไฟไหมรับไฟเปิดไปถึงมีราอะไรไหมโยอมอยู่ด้วยกันเขับล้าใจครับหนึ่งน้ำจะไปอาบอยู่ไหนนะ้าโยมฟอกมาแล้วอาอาทำยังไงมันเปลี่ยนกันไปหมดทุกอย่างเลยในสืด ค, ความไม่สบายใจอันนี้การมันจะเขารูปคารตณีีําบากอยู่ครับลธรรมหลาย ยากจะไปตุกอย่างนั้นมันยากครับแต่ว่าจะเป็นดีนะแต่ว่าเอาคนหลาได้แต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่ทั่วกันเนี่ยบางทีก็จะจืดบางทีฟองเข้มเก็ได้วไม่อร่อยนะมันหลายคนทีมันจะต้องเกินอย่างนั้นผมอยากจะได้อย่างนี้เอาคนคนหนึ่งมาสอน้มันรู้ให้มันเป็นเสียแถเนี้ยให้มันเข้าใจกันทั้นี้หัดคือคนคนเดียว อย่างพระพุทธเจ้ากององค์เดียวเท่านั้นทำไมสององค์ก็ฟังแรกนั่นเนี่ยทำไมถึงสู้ได้เนี่ยถ้าเราเป็นลูกผิดพระพุทธเจ้าก็ให้มันใส้คิดเข้าไปสินะไม่เป็นก็ใหมันส้เข้าไปสิมันบริสัทธ์นั้นนี่นะอือย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นทะเลมใหญ่มาแล้วขึ้นแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสมใจมันไปไงไปเนี่แต่เออเนี้ยอ่ะช่งเยอะนะอย่างนี้ก็เอาเลอะก็เป็นอย่างนี้ครับจะทํายังไง ผมจึงแหวกออกมาอยู่อย่างนี้ครับต่อสู้ประศักมาตลอดหลายสิบปีนะครับเพราะมันมันไปไม่ไหวครับออกมาทุกวันนี้พู่ง่ายๆกันผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยชอบหรอกผมบอคิดว่าไม่ชอบไปจ้างเธอะพระพุทธเจ้าชอบแบบก็แล้วระแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธพรนะธรรมพระสงฆ์พุกเนี้ยอย่างนี้แต่มันมันสัตย์กระแสคนนะวางทีอุ้อ ท่านจะไปองค์เดียวหรือไปช่องน้อยเถอเดี๋ยก็กลับกันจะกลัวครับนะอถ้าต้องเป็นอย่างนั้นยากน่ครับมันยากมันยากกต่มันึงดีทําที่ไหนมันอยากยากนะมันไม่ยากเลยมันดีครับจะเป็นกลัวยากหรือฟังง่ายง่ายมันง่ายมันมันดับเหงานอนงวงนอนนะให้มันยากมันตามันดืมอยู่เรื่อยอยู่เรือยมันเกิดปัญญา อย่างนั้นแต่ยังมาทุกข์กันแต่ว่ามันมันก็ดูเอาแล้วครับดูว่าเราจะไปนโน่นยังไงจะไปถึงหรือมันจะใกล้ก็ไปไปดูว่าเจะเราจะมาข้ามอยู่โคราชนี่ไปถึงกรุงเทพก็เอานะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแต่เรามุ่งไปกรุงเทพแต่มันไปติดอยู่โคราชนะี่เนาะเห็นโคราชสนุกก็เอาอยู่โคราชนี่เนาะไปก็ได้ อื่าบางทีพอเศร้าใจนะไอ้เราเป็นยังไ ง, นะงนนเนี่ยอื่าง้ฝนนะครับมันฝืนคนต้องฟื้นอือย่างนี้ก็ไม่ควรจะวายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะเขาบอกฟังดีเหมือนกันฟังออกเหมือนกะันแต่เขเดินกันก็เป็นกลุ่มแม้ท่านพูดอะไรมันถูกทั้งกันทุกอย่างแต่เราทําไม่ได้โอ้ยเปยังไงเราทำเป็นยันไงเป็นยังไงไบ่อย<ม>เลยนะยนะอืม ย่งเราเป็นนายคนอบรมลูกจิตฟังนะทำแบบพูดเนี่ยถูกมใจเราทําไม่ได้ตรงนี้เนื่อยมี่มันดาฟังเทศหลายชั่วโมงก็เขาตัวดีเขาตัวฟังดีสัณใจฟังออกไปก็คุยมาเฉยเขาขนะพูดดีว่าเนีนนะ่ะเทศถูกใจเราทําไม่ได้กงหมดสัตว์นะเขาพูดคําเดียวมันคุ้มธรรมะเราเลยนะไม่รู้อะไรจะไปต่อตายอะไรอีกมากมายแล้วนะ อย่างนต้นบางทีก็ย่ำความเก่าอะไรท่านยังประเภทนี้ทุกวั น, นผมเคยสังเกต ด, ดูบางทีอลำบากนะไปในงานต่างๆทำพิธีดีตองดีดีนะครับไหว้พระก่อครองอราชนาถินก่อครองอราชนาเทศก่อครองอ แต่เราประกาศศิลไปแล้วนะดูผมเห็นว่ามองมองดูในทางในเนี่ว่าไปตามธรรมดาที่ว่ากันไปไม่ใครว่าเอ อ, อ น, นี่ศีลต้องจะเอามาันเอาไปสินาจริงๆจงังๆกันจะได้ไงมันเบานะพอเียบพระลงไปบิดบ้านคนบ้านนะะเอาเพิ่มบางทีเขานิมนตะ์ด้วท่านนิมนต์เทศนิสั ต้อมีหสิทธิ์บางหวานม่เคยได้ยนินหรอกมีโมนเทศสกนิดตอนนี้อัจิมากรฟังดูนึ่งอออันเทศสักนิดหนึ่งอัจิมากรากเทศเนยคุณกินข้าวสักนิดนี่มันมอิ่มไลององดูสิเ้อหอะไรสักนิดถึงคุณพอใจไหมอันนี้ไอ้ฟังทำเอาสักนิดถึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าฟัทีท่ียงนานๆก่อไอ้คนเมา ๆ, ๆก่อนเฮ้ไ อ, อ, อ้โยมโยงเรา ให้ทางแบกทางเลยเดี๋ยวพระจะออกมาแล้วได้พระแต่งออกเราฟังดูมั้งไอ้แตดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้แต่ว่านี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้านักเทศที่เทศอยู่นี้เมื่อมีความคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันกนะเทานั้นเองนะไม่ว่าหรอกอันนี้พูดเรื่องที่มันเป็นมาเว่าะมันไกลจากธรรมะในพวกเรานั่นไกลลาย วันนี้แตนมาเดี่ยวในคุยกับท่านนรับคนโยมโยมมานั่งอย่างนี้แตนอยากจะมาตรงนี้นี่ท่านไม่เคยได้มาตรงนี้อยากจะมารดีจะได้จะมีเล่าเรื่องอะไรกันคนคนทําไร่ก็พูดเรื่องไร่คนทํานามาถึงกันก็พูดเรื่องทํานากันนะนักปฏิบัติก็จะเอาพูดอะไรก็พูดเรื่องปฏิบัติกันดังนั้นโยมเมื่อนั่งฟังก็ดีเหมือนกันนะ ปัญหาที่เสด็จหนักแต่มันแก้ไขได้ไอ้ทุกวันนี้มันเป็นการหรือไม่เป็นก็ไม่รู้เราเลยสร้างปริวาสขึ้นเพื่อใจพระไปอยู่ปริวาสออกจากปัญหาที่เสด็จมองมองรู้ผื่อรู้เราสงสัยบ้างสงสัยบ้างหรืออะไรบ้างก็ได้ติยวนมันดีใจเฉยๆสงสัยทีละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไปเหระอยู่ปริวาสกันสนุกสนานกันมากทีเดียวนะ <laughs> ไม่ใช่ไปทำให้หายพยศหรอกญาติโยมมาไปกันอยู่กันไปต่อไปก็นึกไปนึกเอ้ยวัดเราควจะทําวัดกันเปแต่ว่ามันร่ายอะไรอะไรต่างๆมันสนุกสนานกันโดยปริวาสเนี่ยก็เมื่อออกเมื่อไปอพารนะเราประกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินเหตทานพระท่านบริสุทธิ์ท่านออกจากวัดมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรี่ยงคนโทษ ออกจากตารางมาบ่อยๆแถนั้นนะอ้าวมันพูดไปอย่างงี้นะอนะแต่จะทํำยังไงกันต้าก็พูดไปอย่างนั้นต้นก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบต้นก็คงคิดเป็นถ้าหากว่าขืนทํากันบ่อยๆครับอาวัตสังกาที่เสียใจเป็นอวัตทุกบทเรี่ยต่อไปจะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้จะจับต้องกายหญิงก็ได้แล้วอออกภาษานี่ยเขอยู่ปฏิวัติมันก็แล้วแต่งานเป็นอะไรนี่ก็ทนายเอาเยอะ โจรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแหละฆ่าคนก็ไม่จิตารางทําอะไรก็ไม่มีโทษเพราะทนายดึงออกไปเสียอย่างนี้อาวัตรท่านคาทีเสีดนี่ครับหมดต่อไปนี่ครับอืไม่มีราคาไม่มีราคาจะมีราคาพอเพียงอาวัตรทุกบเท่านั้นทําไมหลวงพ่อไม่ชิดอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าตาที่เ้าเข้าไปบริวาทเนี่ยครับเขาเองเขามีความรับ คือยอมรับว่าเขาทีงต้องทำบัตเลยเอชครับซึ่งเขาปรารถนาที่จะ ท, ทําำจนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาเอ่แล้วหลวงพ่อไม่เห็นใจเขาด้วยอไม่ไม่เห็นใจกับส่วนนันมันน้อยกรงนี้ไม่มีอะดูทีเธอว่าเรานี่เราเรียนเราเรียนป ร, ริญาตกันสังฆาธิเศษพรปาชีกีดทางไหนนักธรรมนี่ครับมันสอนกันจนมันจะตายครับ <c oughs> ทําไมมันไปไปทํากันทั้งนิดหนึ่งนะ อย่าเอาเงินเอาทองกันเล้ทำไมไปเอาอย่าไปซื้อไปขายกันทำามันเอาอย่าไปทํามันนั่นทําไมมันไปเอากันอยู่เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่านั้นครับไม่ควรมองเห็นตรงนั้ น, นครับถ้าแสดงความจริงอย่าไปทําอย่างนั้นเลครับมาพูดกัน ง, ง่ายดีกว่าอย่าทําเป็นการใหญ่โตอย่างนั้นจรนะิงครับอย่างผมเป็นเพืจะไปหาท่นรรานอาจารย์ให้อาจารย์สมคอบันนี้เอากันส ง, สงบสงบดีครับอย่างนี้ไอ้ใครจะเป็นแดงแดงมันอยู่ปริวาสวันนี้สองวันไปอยู่นั่นอยู่นั่นอีกแล้วครับครับนี่ไม่ไม่ดีนั่นเนี่ยอยู่นั่นเนี่ย ที่ผมว่านี่ผมปราบพวกนี้ครับไม่ใช่พวกปราบพวกนั้นคไม่ใช่พวกให้โทษทั่วไปและรู้แรงเนี่ยนะต้องอยู่ปริวารตลอดแรงเลยเลยไปนี้ออกไปไม่ได้เกันว่าบ่อยครับครับถ้ามีโอกาสได้ไปโทษที่ไหนก็พยายามทำในพวกนี้ครับและพวกปริวารอาชีพเพราะว่ามีราภสักการะเกิดขึ้นี่คไปอยู่ที่นั่นก็มีการได้ทวะได้รับ ถวายจะถูกผัสใจนะฮะเจ้าสํานักนี่เขาเที่ยวประกาศชวนญาติโยมมาช่วยบริจาคอืแล้วเขาได้มาก็แบ่งให้พระนี้นี่นี่่หน่อยหน่อยเขาก็เอามากๆเลยเดี๋ยวผมก็ว่าแต่ว่าในกรณีที่เราทราบที่ว่าตามพระวินัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเมื่อภิกษุมีการต้องอาบัตอืก็ควรที่จะออกจากอาบัตด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมดีซึ่งกระผมคิดว่าถ้ายางนี้แล้วก็ไม่น่าจะต้องมี ก็คือท๊อปทําประสงค์เพื่อจะออกจากอวบอัดโดยตรงไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นได้ครับจะทํางานแต่อยู่ในสนาสวรรค์เพราะมันมันจะไม่ค่อยมีแต่เลี้ยถ้าหากว่าผมเปลี่ยนเนี่ยผมไปยู่ที่สงบไปศึกษากระารรมจารย์หนึ่งค่อยสงข้อกับในที่สงบี้คนี้นี่อย่างนี้มันจึงจะถูก ถ้าผมก็ทําเหมือนกันแถวไม่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่องบาก็ได้ไปเป็นไรว่าก็ได้ว่าเลยว่าเลยว่าไปเลยหลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเกรงืารม่ที่ผมกราบเทียนนี่ก็ผมก็มีลักษณะอย่างนี้คือเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศเออไม่มีการหาเงินหาทองเพราะว่าอยู่กันนิดเงียบนะนานแหละผมไม่ว่าเลยไม่ว่าจฉพาะพวกนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวก็ คอยสิเพื่อนนะครับสิเพื่อนให้ทางนี้ว่าชอบเที่ยวไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านแล้วอะแต่คนไม่ละอายอฮะทาเท่าไหร่มันก็แป๊ดเสียเลไม่หมดไม่หมดเหมือนการโรงพยาบาลจะสร้างเติมต่ออยูเท่าไหร่ก็ไม่พอคนไต่มันมากอืนี่มันเป็นอย่างงี้ครับหมดแรงบ้างเข้าไปอย่างงั้นต้องขอบใจเขาดีว่าเขามีความจริงใจครับ ในความที่จะสร้างความบริสุทธิ์ใจเกิดครับแต่ว่าไม่ชอบในกรณีที่จะจะเรียกว่าซับซ้อก็ได้มันมากเกินไปมันมากเกินไปที่อยากให้อภัยกันนะครับแกก็แต่พ่อเต้เต้ก็ผมก็ทาอย่งองอางกระฝรั่งจิตมาทําไม่รู้เรื่องมันพลาดมากะหยุดไว้นี่แล้วผมทำในวงแคบ จะต้องทำอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานง่ายนิถีไปวับแต่โดยมากก็ไม่เอยส่งเสริมถ้าไม่เป็นอย่า ง, งานั้นมันก็เป็นผู้ตชนย่านเก่าเนี่ยแะไม่เป็นอริ ย, ยชนหรอกถ้าผู้ติชนมาบวชอย่างนี้มันก็ต้องตายนะมันที่เกิดใหม่อย่างนี้ก็อเอาคนมาทำมันก็ยากเป็นธรรมดาของมัน แต่กับ้นที่สุดวเอาเขาเท่าสี่ทําได้กันออที่ผมว่าผมก็ว่าไปนั่นนี่ใครจะทํำได้ยู่ไหนก็เอาแค่นั้นเรียนครัเป็นคำตาลบสุดตาห้าสิบถือเออทาอะไรมันมันดีแือก็ให้ให้ให้ให้ให้ระวางทั้งดีทั้งชั่วนี่มันก็ไปยากเนาะ อบีก็จะไปติดมันเลยชั่วเขาจะไปติดมันให้ปล่อยวางมันไปไง่ายมันก็ไม่ใช่เราเดียวนี่นะเนาะถ้ามันเป็นได้ก็เป็นคนคนอื่นนะไม่ใช่คนคนนี้ล่ะอย่างนั้นมันก็จริงนะทําไมนั้นถึงขัดไห้เพราะเราไม่มีตเรื่องขัดทั้งนั้นอยู่นี่ความเห็นมันผิดทั้งหมดขาดผิอย่างระบวชสมานบวชสมาเป็นพระออืมันเป็นพระสมมติเท่านั้นเนี่ยเหมือนกันทีนี่ไม่มีเกลือน่ะจะมีทรายยกองหนึ่ง กำเกลือมาเสียสมุติว่าทรายเนี่ยสมุทรกับเกลือนั่นี่ยมันก็เป็นเกลือให้เรานะมันเป็นเกลือโดยสมมุติแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่เค็มนะดินทรายมันเป็นทรายมันสมมุทรแบบเกลือตอนนั้นนะมันเป็นเกลือเราบวชสมาวก็เหมือนกันสมมุทรมันเป็นผ้ามันผ้าจริงๆมันยังไม่เป็นมันเป็นสมมุติเหมือนกันกับเกลือไอ้ทรายกองนั้นอะสมุติแบบเกลือมก็เป็นให้สมมุทรแกไปใส่ประโยชน์เปนเกลือมันไม่ได้ไม่เค็ม จำเป็นในเชงหาเรือจริงๆมาอย่างนี้มันก็ยากเราเป็นผู้ทุชนในเราเดินไปอย่างนั้นเพื่อนทวนกระแสน้ํานะอืทวนกระแสน้นะํนนาถ้าใครมีบุญวาสนาบารมีก็พยายามไปใหมันพ้นอย่างนั้นได้ไงก็ถอยมันไม่น่าจะไปแล้วไม่ใช่น้าที่คนจะไปตรงนั้นมันรบมันลําบากอย่างนี้น อย่างนั้นนักปฏิบัติของเราก็แต่ยากจะได้ดีอยู่จะให้ทําดีไม่กล้าจะทําอือยากจะทําที่ไม่ดีให้มันได้ดีนั่นนหละยิ่งจะทํากันอืมนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ตามใจเราอธรรมะมันไม่ตามใจใครแต่มันความจริงมันก็ไปคนในอย่างในงานถึงติดเป็นครูเป็นอาจารย์มาบวชนะสอนลูกศิษยนะ์เป็นคนที่สร้างออกตั้งใจนะลูกศิษย์มากราบพราแลวมาขอข อ, ข อ, ข อ, ข อ, อยู่ปฏิบัติด้วย อย่างนี้ก็รับก็ไหว้แก้มาอยู่แล้วบอกปฏิบัติก็ไม่ฟังเขาไม่ควรจะทําตามนี้แล้วปลูกลงไปสองต้นเขาถอนอีกต้นหนึ่งถอนเรื่อยๆ อ, อ, อย่างนั้นคนหนึ่งปลูกคนหนึ่งถอนว่นไหนมันจะไปนะืออย่ยนะเราเบื่อเนี่ยถอยนะัน่ชอบจะเป็นอย่างนั้นขนาดรุ่นๆ น, นี้มาแล้วนะ่ะมีแต่สอนมนุษย์สอนลูกศิษย์ หิวธรรมะถ้าออกจากวัดไปปรึกษากันนี่ก็สบายมีอะไรเป็นใจหลายอย่างจะแค่เกิดใหม่ขึ้นมาได้ข้อคิดอย่างนี้ก็อยู่แต่ ว, วัดมีแต่เราสอนคนนี่ี่จะมีเวลาสอนเรานี่มันน้อยอย่างนั้นแต่ามาได้ปรึกษากันนี่ก็สบายอย่างอาจารย์จําเนียนปักใต้ามาด อ, อดูนีวว่อยู่บ้านเน่ยวุ่นอยู่ในวัดขึ้นมาห า, ากา็มาบัติลงโยมโย ม, โยมข้านี่ออกจากตารางมานะเนี่ย ออกจากตารางมามาสงบแตงสาถูกจุดเรื่องเกินเงี่ยคือออกจากลูกศิษย์มามันหายวุ่นนะให้ให้ท่านอยู่ตามสบายนะครับน่าอยู่ปฏิหลังแล้วให้อยู่ตามสบายแหมรู้สึกว่าท่านอยู่ไม่กี่วันท่านอ้วนกันหนึ่งสบายรู้แรียกว่ามันอยู่อยู่ในตารางมันศาสตรนมันตึงอยู่ด้วยนะเยว น, นี้นนยเกีบแต่ลูกศิษย์ของเขาเหมือนโยมจะมีลูกมากมากนะันแหละ ไปโรงเรียนพ่อขอจ้างให้ห้าวัดไม่เอาจะเอาแปดวัดใครก็จะเอาอย่างงั้นเแหมกเป็นโดเกศาสตร์อ น, น, นเนาะมันยุ่งถ้ากรมมวัดอย่างนี้นานๆกรมมวัดนั่งไม่มีอะรมันสบายมันปล่อยได้อย่างนี้เทวติพัฒก่อน